ท่านพระโยคาวจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายความจริงคัมมาพระโยคาวจรก็หมายถึงว่าท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระโสูดาปฏิมักทั้ทงนี้ก็หมายถึงว่าท่านที่ปฏิบัติสมถกรรมฐานมีปัจนากรรมฐานทุกท่านด้วยความจริงใจ แต่ถ้าว่าทุกท่านยังปฏิบัติตนยังไม่ถึงระโสดาปฏิมักอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงเรียกว่าพระโยคาวจรแปลว่าท่านผู้ประกอบความดีเพื่อความระเสดแปลว่าขอท่านทั้งหลายที่เข้ามาปฏิบัติรกรรมฐาน พระก็ดีเน่งก็ดีอุบาสกุ่มบาศิกาก็ดีขอท่านจงรู้ตัวว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจินาสีทรงเรียกว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติตนเพื่อความเป็นพระทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคำว่าพระจริง นั่นก็คือพระพุทธเจ้าทรงยอมรับโอตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถ้ายังไม่ถึงประโสดาบันเพียงใดท่านยังไม่เรีย ก, กว่าพระแต่ว่าทุกท่านที่ปฏิบัติพระกรรมฐานด้วยความจริงใจตั้งใจจริงมีศีลบริสุทธิ์ตั้งใจทรงสมาธิให้ตั้งมัน่น ตั้งใจรักษาปัญญาให้แจ่มใสรู้เท่าทันความเป็นจริงแต่ว่ายังไม่ถึงพระสนดาปฏิมักรก็ควรจะภูมิใจว่าเราอยู่ในเขตของความดีคือความอยู่ในเขตของคนดีแต่ว่าเราจะดีมากจะดีน้อยนั่นประมาทไม่ได้ถ้ารู้สึกตัวว่าดีเมื่อไรก็แสดงว่าเราเลวเมื่อนั้น จงจำพระพุทธภาสิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าสรวนตรัสว่าอัตนาจตยัตตานังจงกล่าวโทษโจย์ความผิดของตนไว้เสมอคือให้มีความรู้สึกว่าเรายังชั่วอยู่เนื้วมันชั่วตรงไหนไปนั่งดูนิวรห้าว่านิวรห้าบริการยังมีอาการสิงใจเราอยู่บ้างหรือเปล่า ถ้านิวรณ์ห้าบริการส่วนใดส่วนหนึ่งและในเวลาใดเวลาหนึ่งมันเข้ามาโจรกวนใจเราได้แสดงว่าเรายังมีช่องโหว่แห่งความชั่วในด้านฌานโลกีถ้านิวรณ์ห้าไม่สามารถจะสิงใจเราได้แสดงว่าเราดีขึ้นทั้งระดับของผู้ทรงฌานทั้งนี้ผมหมายความว่าตลอดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง ไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งปฏิบัติกรรมฐานแล้วรายการที่สองถ้าเราชนะนิวรณ์ห้าแล้วก็จงไปมองดูสัญญชนิสิบราการว่าสัญญชน์สิบรายการนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ยังมาคล้องอยู่กับอารมณ์ของเราเรายังเข้าไปติดอยู่ในในส่วนนั้นถ้าสัญญาติสิบราการข้อใดข้อหนึ่ง ยังสิงอยู่ในสันดานของเราแสดงว่าเรายัางไม่ดีต้องตำหนิใจตำหนิตัวของเราเองว่าความดีมันยังไม่พอสำหรับวันนี้ผมก็อยากขอพูดเรื่องหมวดของกระสินเพราะว่าหมวดกนุสติจบไปแล้วสำหรับกระสินนี่มีสิบอย่าง แต่ถ้าว่าผมจะขอทิ่บายกระสินในด้านของสุขวิปัสสโกแต่ถ้าว่าบังเอิญท่านผู้ใดจะมีวิริยะอุตสาหะทำตนเข้าถึงวิชาสามเคของวิชาสามและพิญญาหกอันนี้ผมก็โมทนาด้วยการแนะนำนี้ขอแนะนำในขั้นสุขวิปัสสโกเท่านั้น และก็ไม่แน่นักนะหากว่าบุญมัสนาบรรมีท่านเคยฝึกมาในชาติก่อนก็ดีด้วยชาตินี้ถ้ามีความมั่นคงในอารมณ์ที่ทรงอยู่ในด้ายเกสินการปฏิบัติเกสินหมายถึงว่าต้องการสุขวาวัเสโกดีไม่ดีทัางกบไปเข้าคงเขตขงวิชาสามและพิญญาหกก็ได้ ถ้าว่าปฏิสัมพิท ธ, ธอาญาอย่างไม่ได้ไปสัมพิน ธ, ธาญา น, นี่จะต้องปฏิบัติตามที่สอนมาแล้วนั่นก็คือได้สมาบัตแปดตอนนี้อยาขอพูดถึงเรื่องของกสิลก่อนคือชื่อของกศิลหน้าการของกศิลปคอยถือว่าเป็นการศึกษาเวลาปฏิบัติจริงอารมณ์ของท่านทรงอยู่ในอะไรมั่นคงแล้วปฏิบัติตามนั้น ไม่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผมเพราะว่าผมจะต้องสอนให้หมดกรรมฐ า, านสี่สิบสำหรับเกบสินนี้ก็ขอสอนรวบก็าแยกก็ไม่มีความจำเป็นก็มีผลเสมอกันชื่อของกกสินก็คือหนึ่งปฐวีกสินเกสินนี้มีดินเป็นพื้นฐานสองอาปโปเกสิน กสิณข้อนี้มีน้ำเป็นพื้นฐานสามเตโ ช, ชกสินกสิณข้อนี้มีไฟเป็นพื้นฐานสวายโยกสินกสิณข้อนี้มีลมเป็นพื้นฐานและก็ห้าโลหิตกสินกสิณข้อนี้มีสีแดงเป็นพื้นฐานหกวิตกะกสิน กสิ่งข้อนี้มีสีเหลืองเป็นพื้นฐานเจ็ดนี้และกสินงกสิ่งข้อนี้มีสีเขียวเป็นพื้นฐานแปดโอทายแต่กสิ่งกสิ่งข้อนี้มีสีขาวเป็นพื้นฐานห้าไอ้ก้าวอากาศกสิ่งกสิ่งข้อนี้มีอากาศคือความว่างเป็นพื้นฐาน แล้วก็สิบอาโลกสิงกัสิงข้อนี้มีแสงแสงสว่างเป็นพื้นฐานเป็นอนนว่ากสินที่เราจะต้องปฏิบัติมีสิทธิ์อย่างด้วยกันวันนี้ผมจะขอที่มาโดยย่อเพื่อเข้าใจถึงพื้นฐานกัลสินเสียก่อน ความจริงถ้าหากว่าท่านปฏิบัติเกษินส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นที่ถูกใจของท่านแล้วก็ทำจริงๆท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้แล้วก็เป็นได้ง่ายเสียด้วยแล้วผมจะอธิบายให้ฟังตอนนี้ไปรู้เรื่องของเกสินสึก่อนปฏิเดจะหาว่าไม่บอกกันปฐวีเกสินคือเกสินดิน ใช้ดินเป็นวงกระสินคำว่ากระสินนี่แปลว่าเครื่องหมายเนี่ครับรู้ซะด้วยน ะ, ะเันนีจะหาไม่บอกกระสินนี่แปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายที่เราจะใช้กระสินปฐวีกระสินก็คือเอาดินมานั่งมองดูบางท่านก็เอาดินมาปั้นเป็นกลมๆ ก, ก้อนใหญ่ๆมานั่งมอง บางท่านก็กวาดที่ให้เตียนแล้วก็นั่งพอมีเหลือดินล้วนก็นั่งมองดูบางท่านท่านก็เอาผ้าทำเป็นสะดิงคือทำเป็นกลมๆแล้วดิงเข้ามาทาแล้วก็มองดูเรื่องจะทำใหญ่โตเพียงใดผมไม่จำกัดเพราะว่าตามแบบในวิสุทธิมตรตท่านบอกว่ากว้างประมาณหนึ่ง ค, ครึ่ง แต่ว่าเวลาผมปฏิบัติจริงๆผมไม่ได้ทำอย่างนั้นผมก็ดูมันส่งดินหาที่ไหนก็ได้เมื่อตั้งใจจับดินก็เชื้อกคจิตเข้าไปจับดินสำหรับปฐวีเกสิ น, นี่อนิสง์ก็อนุภาพก็ได้แกสเมื่อทำได้ถึงชั้นสี่ ก็สามารถจะทําของแข็งของอ่อนให้เป็นของแข็งได้อย่างน้ําอ่อนนา่าดิษฐานให้แข็งก็ได้อากาศอ่อนนา่าดิษฐานให้แข็งก็ได้อย่างที่คนเดินบนบรรากาศและเดินในน้ําพอพูดทั้งเดินในน้ํานี่คุณ อ, อนสีลุพาพันยาวแบบผมนะ่ะเอา น, นิ้วจิ้มมันแข็ง เอาเท้าวางใหม่ๆมันแข็งพอก้าวลงไปจิตเคลื่อนเดียวหน่อยเดียวลงโตมไม่ถั่วเลยวิธีปฏิบัติในปฐวีกษินท่านก็ให้เอาดินมันนั่งดูคนจะไปบอกทักษณะคือมันไม่มีความจำเป็นดินก็แล้วกันเมื่อพิจารณาดินลืมตามองดูดิน จำเฉพาะสีดินที่เราต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านต้องการดินสีอรุณดินสีอรุณก็คือดินมันมีสีแดงได้แค่คุ้ย ป, ปูเวลาที่ปูมันมันเจาะรูลงไปมันกวาดเอาดินขึ้นมานั่นแหละสีแดงแดงเรียกวดินสีอรุณจับดูภาพกระสินลืมตาดู จำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพกษินถ้าจะภาวนาถ้าให้ภาวนาว่าปฐวีเกษณังเออจุดที่มีความสําคัญที่สุดก็คือลมให้ใจเขาออกอันนี้คุณทิ้งกันไม่ได้ถ้าคนที่ลมให้ใจเขาออกคนก็พังไม่มีทางจะได้อะไรเลยเออรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกไปด้วย นล้วก็ภาพจำภาพกระสินให้ได้จิตนึกถึงภาพไม่ใช่ภาพกระสินลอยมาที่หน้าถ้าบังเอิญมันจะเลื่อนไปก็ลืมตาดูใหม่นี่ผมจะแนะนำวิธีปฏิบัติเวลาดีเขาปฏิบัติป็นจริงๆเขาทำแบบนี้นะเพราะว่าเขาจะตั้งนิมิตกระสินไม่ที่ไหนก็ได้ในที่ที่เหมาะสม เอาไปวางไว้จุดใดจุดหนึ่งไปนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งทานไหมก็ได้ผมไม่ห้ามที่เกียดนั่งก่อนนอนนอนไม่ส บ, บายก็ยืนยืนไม่ส บ, บายก็เดินมีผลเท่ากันอย่าไปฝืนอิติญาบทอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าคืนไปฝืนอิติญาบทแล้วก็เสร็จ แต่การมันครียดขึ้นมามันปวดน่นเจ็บนี่ก็ยังนั่งทนอยู่ไม่มีผลอย่าลืมว่าเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทําอะไรทุกอย่างนี่จะต้องเชื่อฟังพระพุทธเจ้าอยู่เสมอถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าทําไม่มีผลท่านเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ แใ น, นเมื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีผลก็จะไม่มีพระอรหันต์ดันั้นพระอรหันตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากนดีเวลานี้ที่ผมกําลังพูดอยู่คนดีพระอรหันยังมีอยู่แ้าพระอรหันตัวองค์ปฏิบัติตามกระแสพระสัทธมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมมังครูจําให้ดีนะอย่าทําดีตัวตัวดีกว่าพระพุทธเจ้า แล้ว ก, การศึกษาเนะี่ยก็ควรจะศึกษาดูซะก่อนว่าถ้าเราจะหาครูก็ดูครูว่าครูเนะี่ยเขาได้แล้วหรื อ, อยังถ้าเป็นพระเรียกเจ้าแล้วหรื อ, อยังสําหรับครูในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผมนะเดี๋ยวคนจะนึกว่าเออคุณผมมาอวดคุณผมเป็นพระรหันต์ไม่ใช่ครูจริงๆก็คือพระพุทธเจ้า ที่ผมเอามาพูดนี่มาสอนคุณแนะนำพวกคุณก็เพราะว่าผมเอาของพระพุทธเจ้าท่านมาแนะนำไม่ใช่ของผมเมื่อจำภาพดินลืมตาจำได้หลับตานึกถึงภาพดินจำได้ประเดี๋ยวกันก็เลือนแต่ว่าถ้าคุณทรงหัดทรงอนาปานนุสติกรมรฐานจนเป็นฌานแล้วก็ไม่มีทาง การสินแต่ละข้อไม่เกินสองวันจะสาเร็จหมดเรื่องอนาปานุสติกรรมฐานนี่ผมสอนเนือทั้งเขี้ยวเขียนไปแล้วถ้าฟันผมถ้าถูกลมที่มันผ่านออกมามันสึกได้แล้วก็มันก็ต้องเกิดใหม่หลายครั้งในการพูดถึงอนาปานนสติจับลมให้ใจเขาออกตามสบายนึกถึงภาพกระสิน มันเลือนขึ้นมาลืมตาดูใหม่จำได้เพราะรู้สึกว่าจำได้ดีลุกจากที่นั้นเข้าสู่ที่พักพอเข้าสู่ที่พักจะนั่งหรือจะนอนก็ตามจิตนึกถึงภาพดินที่เราจับไว้ได้มันกแกล่ก็ได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ความจริงการฝนี่ทําง่ายเพราะเป็นก ร, รรมฐานหยาบ การปฏิบัติกริสนี่ง่ายกว่าทุกอย่างเมื่อปฏิบัติไปแล้วเมื่อจิตจับภาพนี้ได้จําได้เป็นปกติท่านเรียกว่าเริ่มต้นเป็นอกหานิมิตคําว่าอกหานิมิตแปลว่านิมิตติดตาแต่ผมจะขอบอกว่าเป็นนิมิตติดใจเวลานั้นเราหลับตา แนันกจงฝึกทั้งหลับตาและลืมตาให้นึกถึงภาพกระสีนั้นไว้เป็นปกติจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไปไหนมาไหนกินข้าวอยู่ขี่อยเยี่ยวอยู่ก็ตามให้ไปขี่ไปเยี่ยวในบาจายก็สอนแล้วก็ห้ามนึกถึงก็งมาถานกองใดกองหนึ่งเขงก็บอกบาปเพราะว่าอาจารย์มันไม่ใช่อาจารย์นี่ย ไม่ใช่จานมันเป็นกระมังพระพุทธเจา้าม่ไดบอกพระพุทธเจ้าพรกว่าจงอย่าว่างจากสติสมชัญญะที่เราส่งความดีบมื่อเอื่นถ้าเราเป็นโรคอะฮิวาหรือไทฟอย์กาลังขี้เวลานั้นมันตายทําไงเราจะตายเพราะจิตว่างหรือว่าจะตายเพราะจิตส่งความดีอาว่าจิตว่างน่ยคือว่างจากความดี เราก็ควรจะตายที่จิตมันกําลังส่งความดีฉะนั้นทุกระยะจุดที่ที่เราจะพึงทำในเมื่อยังมีความรู้สึกคือเตือนอยู่ให้นึกถึงภาพกรสินนั่นเป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฐวีกสินอย่าลืมนะว่าผมจะแนะนําท่านละเอียดเพียงแค่กสินเดียวนอกนั้นก็จะจะแนะนําเพียงอาการเท่านั้น ในเมื่อภาพเกสินนี่เราจําได้ในภาพเดิมเมื่อจิตจับไว้เสมอเดินไปเดินมานั่งอยู่นึกขึ้นมาบรรนึกขึ้ภาพเกสินอยู่เสมอถ้านาณาเข้าภาพเกสินจะมีอาการชัดขึ้นตามลําดับไอการชัดขึ้นในแสดงว่าจิตมีสมาธิสูงขึ้นมีความตั้งมั่นดีขึ้นภาพก็ชัด เมื่อภาพใช้เป็นตาราดับนันนาเข้าเราจะนึกให้ภาพนี้อยู่ที่สูงก็ได้อยู่ที่ต่ำก็ได้อยู่ข้างหน้าข้างหลังก็ได้อยู่ข้างข้างก็ได้ที่ก้าเบงก็ได้ข้างล่างก็ได้ตามได้สูงได้ซ้ายก็ได้ขวาได้ให้ใหญ่ก็ได้ให้เล็กก็ได้อย่างนี้ยังเชื่อว่าเป็นโอคะหานิมิตอันดับขั้นที่สองดีขี้หน่อย เมื่อต่อไปต่อไปพิจารณาไปเพิ่งภาพนี้ไปเกลีสินภาพดินที่เราเห็นมันจะกลายสีจากสีดินที่เราเห็นมันจะสีอะไรก็ช่างอ่ะผมไม่ถือตามแบบถ้าบอต้องเป็นสีอรุณแต่เวลาที่ผมทำจริงๆผมฉะมันดะสีอะไรก็ได้มันสีดินก็แล้วกัน ไอ้ทำแบบผมนี่มันก็น่าก็จะบวมๆไปนิดนึงแต่ผมถือว่ากรสินทั้งหมดนี่ท่านต้องการให้จิตจับภาพหรื่อจับภาพให้ทรงจิตจิตทรงตัวผมเลยไม่ถือเพราะว่าด่าเมื่อต่อไปภาพกสินปฐวีกสินคือกสินดินทเราเห็นมันจย ก, กลายค่อยๆขาวโนวนขึ้นมาแทนที่จะเป็นสีเดิม จากนวนจะขาวมาทีละน้อยแล้ะน้อยน้อยจนกทาทั่งขาวเกบหมดขาวหมดทั้งดวงแทงนที่เป็นสีดินเดิมกลับเป็นสีขาวขาวใสยิ่งใสเท่าไใดก็ยิ่งดีใสขาวใสก็ทําเร า, านึกขห้ใ่ก็ได้ให้เล็กกั น, นได้สูงก็ได้ต่ำก็ได้สรงอยู่นานเท่าไใดก็ได้ อย่าลืมนะอีกตอนนี้เล่นเกาสินนี่มต้องเล่นกันจริงๆเพราะว่าเขาเล่นกันเพื่อวิชาสามและพิญญาหกแต่ว่าผลนั่นก็คือเป็นพระโสดาสิกิธาคารนาคารหันได้ง่ายคนที่เล่นเกาสินจริงๆเนี่ยโดยมากถ้าอย่างเรวที่สุดจิตอยากจะติดอยู่แค่พระโสดามันไม่เกินจิตวัน แลในีสุดจิตก็จะพุ่งกับไปหาความเบญกอรหันทันทีตามที่ผมเคยบอกกับท่านว่าเวลาภาวนาว่าพุทโธจกภาพประพุทธให้ทรงตัวเดินไปไหนมาไหนนึกถึงภาพประพุทธอยู่ด้วยนั่งก็เป็นกสินเป็นปิตะการกรสินถ้าสีเหลืองเป็นปิตะการกรสินควบกับพระพุทธทธานุสติไดพระพุทธสีขาว เป็นโอทาตดกัสินควบกับพุทธานุสติถ้าพระพุทธพระพุทธโรปเป็นสีเขียวอยังแฝงแก้วเป็นนีและกระสินควบกับพุทธานุสติเขาได้กำไรเยะ เ, เรื่องนี้มันเรื่องมไม่ยากท่นี้พอถ้าจิตของเราแหวกกระสินขาวผ่องใสแจ๋วในะสแจ๋วมองแล้ว ขาวเพิบหนาตึบใสสะอาดดีแล้วสแสดงว่าขณะนั้นจิตของท่านเข้าเป็นฌานพอขาวเต็มที่นี่เป็น เ, เรียกว่ายังเป็นอุปจาระฌานนะแล้วอุปจาระนิมิตอุปจาระนิมิตก็คืออุปจารฌานนะขาวทึบพอใสเป็นแก้วเริ่มใสเป็นแก้วเริ่มเป็นฌาน ถ้าเป็นแก้วใสสะอาดจริงๆเต็มที่ก็เป็นฌานสี่ตอนนี้ต้องสังเกตอารมณ์ว่าขณะใดที่เราเห็นภาพประสีใสเป็นแก้วขณะนั่นหูเราไม่ยังภาวนาภาวนาด้วยนะภาวนาวิปปะปะทวีกสินังภาวนาไปอย่างนั้น แล้วก็หูไม่ลำคัญในเสียงเสียงตึงตังคมคมเออะโวยวายใครเขาคุยอะไรเข า, ด, าด่าเดิกันก็ฉันเขาเราจะภาพกระสินได้เป็นปกติอย่างนี้แปลการของปฐมฌานถ้าจับภาพใสเป็นแก้วจิตมีความสบายเอิบอิ่มลืมภาวนาอการอย่างนี้เป็นฌานที่สอง เห็นใสเป็นแก้วสะอาดอยิ่งขึ้นความเอิบอิ่มหายไปใจดิ่งมีความรู้สึกเหมือนว่าตัวใครเขามัดไว้จแน่นหูดินเสียงภายนอกแววแววลมให้ลมไมใ่ใจเบานน้อยเล่นน้อ ย, อยใจทรงตัวไม่ใหญ่จะเคลื่อนไหวนี่แปรกายของชานทีสามกสินจะสวยขึ้นนี้ถ้ากาสินเป็นแรดกายใสสะอาด มือก็แกวบางหูไม่ได้ยินเสียงภายนอกไม่รู้สึกลมหายใจแต่ภาพกระสินที่เราเห็นนั้นใสสะอาดผ่องใสเชื่องใจอารมณ์ตั้งตรงดิ่งไม่ขยับซ้ายไม่ขยับขวาจิตจับอยู่เฉพาะภาพกระสินเจ้องอยู่เฉพาะภาพกระสินเป็นปกติ ลืมตาก็เหมือนกันหลับตาก็เหมือนกันมันเห็นทางใจนะยาวลูกตาไปดูไม่ได้เวลาปฏิบัติต้องปฏิบัติให้คล่องทั้งหลับตาและลืมตาเดินไปเดินมาอยู่ไกลแผ่กวสินไปทั้งนัยนึกมาเมื่อไรแผ่กวสินใส่ผ่องใสอย่างนี้เป็นชาติที่สี่จบพอถึงชาติที่สี่ก็ จ, จบกวสินกองนั้น นิว่ากันทั้งเรื่องกระสินคนนะอันนี้เวลาที่ปฏิบัติกระสินเนี่ยสมมติว่าท่านปฏิบัติในปฐวีกสินกระสินดินสีนดินที่ท่านมองในขณะนั้นเป็นสีนอะไรท่านจงจำไวให้ดีว่าอย่าให้จิตของท่านคลาดจากสี น, นั้นบางทีเรามองดินสีนแดงแลบเข้ามาแทน สีเขียวเข้ามาแทนสีเหลืองเข้ามาแทนสีอะไรก็ตามท่านนอกจากสีนั้นเขาเรียกกันว่ากระสินโทษอันนี้ต้องจําให้ดีนะเรื่องกระสินโทษถ้าสีแดงโผล่เข้ามาเราจับแดงสีเขียวมาเข้ามาเราจับเขียวท่านทำไม่อีกกี่แสนชาติมือไม่ได้เพราะว่านั่นเป็นการทดลองถูกสอบ ด้วยอารมณ์ของนิวรณ์ที่เรียกกันว่าอุทธจรกุกจาก์หมายความกำลังใจของเราไม่มัน่นคงอะไรเข้ามาเราก็จับใช่ไม่ได้อะไรเข้ามาก็ตามเลยต้องตัดทิ้งไปทันทีฉันต้องการสีเดียวคือปฐวีกสินนี่เป็นโลกเดิมนะถ้าเราก้าเข้าไปถึงอุปจารสมาธิขั้นสาม อุปจารสมาธิขั้นแรกจำได้ในสภาพเดิมสมาธิขั้นสองรูปร่างในสภาพเดิมแต่บังคับให้สูงได้ใหญ่ได้เล็กได้ต่ำได้โยหงหนังได้ข้างหลังได้ถ้าอุปจาระสมาธิขั้นสามก็สินแะขาวขาวตรนนี้ขึ้นมาแย่ดันเป็นนึกว่าเป็นกสินโทษซะล้ กระสินสีมันจะต้องคลายเป็นสีนวลไม่น้อยขึ้นไปขึ้นไปขาวหนักข้าไปหนังไปจนกระทั่งขาวนาทึบกใหญ่นึกขันมาไลยเห็นกระสินเป็นภาพขาวอย่านึกว่าไปโอทายในกระสินนะอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิขั้นสูงถ้าถึงอุปจารสมาธิตอนนี้ฝึกทิกจุกยานได้ไง่ายผมยังอมิที่ใ ไปดูแบบแล้วต่อไปถ้าเริ่มใสปิงแก้วน้อยๆตอนนี้ต้องเริ่มจับอารมณ์ไปด้วยที่ไปอุปจารสมาธิมันมีอาการพู้ชื่นใจเอบอบิ่มพ่องใสพอถึงเปิงแก้วน้อยๆหูจะมาดีไม่ลำคาญเสียงภายนอกจำให้ดีนะ ลมให้ใจจะเบาใจจะสบายยิ่งขึ้นอารมณ์จะทรงตัวดีพอถึงฌานสองคำภาวนาหายไปใจชุ่มชื่นมากขึ้นจิตภาพกระสินสยนใสขึ้นพอถึงฌานสามลมให้ใจเลยนิดเดียวหูดินเสียงแววๆอาการกายอาการทรงตัวแน่นหนามากเหมือนกับปลักปักในดินแน่นๆ ถ้ า, าทิ้งชาดีสี่ไม่รู้สึกว่าเราหายใจแกสินจ่ใสจะมีอาการส่งตัวชาดีสี่มีสองลักษณะคือเอก ก, ะกะตากอมเบขามีความพรงอสติสมัจัญาสมบูรณ์นี่เป็นลักษณะของอาการชาดีสี่ของเราสินที่พ้นย้อนกับคขามาเนี่ยผมอย่าแจ้งนว่าอย่าไปหลงในกระสินโทษ จับดินแล้วสีแดงเข้ามาแทนสีเหลืองเข้ามาแทนมันแจ่มใสกว่าเราบอกเอ๊ะมันดีกว่านี่เอานี่ดีกว่าเอาสีนั่นมาว่าเดี๋ยวสีอื่นก็มาถ้ า, าไปจับเอาสีอื่นเข้ามาแทนก็แสดงว่านั่นท่านถูกนิวรณ์คือความชั่วของจิตเล่น ง, งานซะแล้วผลที่ท่านจริยกับสินพังอี่าไปนึกว่าดีนะพัง หมดสภาพเอาละสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดในนามของปฏิบัติปทวีกสินแล้วเราควรจะอธิบายนุภาพกองบ้างไหมว่าทำยังไงมันจึงจะมีฤทธิ์อาตมาผมจะไหวยฟางในวันพวกนี้สำหรับเวลานี้หมดเวลาเส็จแล้วนี่ขอรับขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำร ง, งจิตให้มัน จงใช้คำภาวนาคนได้พิจรารณาคนได้ในกรรมฐานที่ท่านมีความชำนาญแล้วจึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าเวลานั้นสมควรสวัสดี